การเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าเป็นการเข้าหาที่พึ่งอันใหม่เปลี่ยนที่พึ่งอันใหม่จากที่พึ่งอันเก่ามาสู่ที่พึ่งอันใหม่ ที่พ ka <com> er ึ <com> <ish> <com> masse, ่งอ <ot> ันใหม่นี้เป็นที่พึ่งดีกว่าที่พึ่งอันเก่าเพราะที่พึ่งอันเก่านี้มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเป็นที่พึ่งชั่วคราวส่วนที่พึ่งอันใหม่นี้เป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขกับเราต่างจากที่พึ่งอันเก่า ที่ให้ความทุกข์กับเราที่พึ่งอันเก่าไม่ใช่เป็นของเราแต่ที่พึ่งอันใหม่นี้เป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ว่ามีที่พึ่งที่ดีกว่าที่เรามีกันอยู่ คือที่เพื่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายได้ค้นพบได้มาครอบครองเป็นสมบัติถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาให้เราปฏิบัติเราก็ต้องเพื่งที่เพื่งอันเก่าที่เพื่งอันเก่าของเราก็คือ ร่างกายของเราและสิ่งที่ร่างกายของเราจะแสวงหามาได้เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วคราวไม่ถาวรไม่อยู่กับเราไปตลอด ไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเป็นของเราชั่วคราวแล้วก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเวลาที่ต้องจากกันก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ไม่ได้เป็นความสุข แต่ที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้เป็นที่พึ่งที่ท้าวรนเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขเราเสมอเป็นที่พึ่งที่เป็นของเราตลอดเวลาจะไม่มีวันที่จะพัดพรากจากเราไปได้ การเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อมาสร้างที่พึ่งที่ถาวรที่ให้ความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดนั่นเองถ้าเรามีที่พึ่งที่ถาวร น, นี้แล้วเราก็จะอยู่ไปอย่างมีความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์ เหมือนกับที่พวกเรามีกันอยู่ในตอนนี้เพราะตอนนี้พวกเรากำลังพึ่งที่พึ่งที่ไม่ถาวร น, นั่นเองเวลาที่เขาต้องจากเราไปก็เป็นเวลาที่เราต้องทุกข์ทรมานใจดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะเปลี่ยนที่พึ่งกันอย่าพึ่ง ที่พึ่งที่มันต้องทำให้เราทุกข์ในภายหลังให้มาพึ่งที่พึ่งที่จะให้ความสุขเราตลอดเวลาตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่พึ่งนี้คือความสงบของใจนี่เองความสงบของใจที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งบำเพ็ญได้ส่งค้นพอและได้ส่งรักษาไว้ให้อยู่คู่กับพระไทยของพระองค์ไปตลอดจะเป็นที่พึ่งที่พวกเราจะสามารถได้มาครอบครองเป็นสมบัติของพวกเราถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความอุตสาหะวิระยะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเข่งครัดอย่างไม่ท้อถอยสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ที่พึ่งที่ถาวรนี้ เป็นสมบัติคู่กับใจของเราไปตลอดดังนั้นเราจึงต้องพยายามขวนขวายพยายามค้นหาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมว่าเราจะต้อง ปฏิบัติอะไรบ้างจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ที่พึ่งอ ok ันเปิดเลิศโลกนี้ถ้าเราไม่หมั่นศึกษาไม่หมั่นปฏิบัติเราจะไม่ได้ที่พึ่งอันเลิศอันเปิดนี้เพราะเวลาที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไปพึ่งที่พึ่งที่ ที่ไม่ถาวรที่เพิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปหรือเวลาที่เราต้องจากเขาไปพระมุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเป็นมงคลอย่างยิ่งการได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะจะทำให้เรา ได้รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงนี้และเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมว่าหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราก็คือการมาสร้างที่พึ่งที่แท้จริงนี้นั่นเองถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะลืมและเราก็จะถูกความหลงที่มีอยู่ในใจของเรา หลอกให้เราไปพึ่งในสิ่งที่พึ่งไม่ได้อย่างถาวรพึ่งได้ชั่วคราวแล้วพอเวลาที่จะต้องพัดพรากจากกันก็เป็นเวลาที่จะต้องทุกข์ทรมานใจการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังกันอย่างสม่าเสมอนี้เป็นการเหมือนกับ เติมน้ำให้กับต้นไม้รดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ต้นไม้ก็คือใจของเราที่จะได้พบกับความสงบร่มเย็นตามลาดับต้นไม้นี้ถ้าเราหมั่นรดน้ำอยู่เรื่อยๆใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆ ต้นไม้ก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับแล้วในที่สุดก็จะออกดอกออกผลขึ้นมาใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นใจของพวกเราก็เป็นเหมือนต้นไม้ถ้าได้รับการดูแลรักษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมใจของพวกเราก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไป ตามลำดับและจะออกดอกออกผลดอกผลที่ใจของพวกเราจะออกมาก็คือมรรคผลนิพานนี้เองที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความสงบกับใจเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นเราจึางต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเมื่อเราฟังแล้วเราก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วเราไม่รักษาดูแลไม่รดน้ำพรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยปล่อยปละละเลยต้นไม้ก็อาจจะตายไป หรือไม่เจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาไม่ออกดอกออกผลตามที่เราต้องการแต่ถ้าเรามันปฏิบัติฟังแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติจากน้อยขึ้นไปหามากเพราะการกระทาอะไรก็ตามต้องเริ่มจากน้อยไปหามาก เพราะความรู้ความสามารถของเรานี้ต้องใช้เวลาพัฒนาขึ้นไปใช้การฝึกฝนอบรมเป็นการสร้างความสามารถในการปฏิบัติสิ่งต่างๆให้มีมากขึ้นไปตามลำดับไม่ใช่ว่าพอเริ่มปฏิบัติก็จะให้ได้บรรลุมรรคผลที่พานเลย การที่เราได้ยินได้ฟังว่ามีคนเวลาได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถบรรลุพระนิพพานาได้เลยอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเพราะบุคคลนั้นเขาได้ปฏิบัติมาก่อนแล้วในอดีตชาติพอเขาได้มาพบกับ พอทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยเขาเป็นเหมือนกับบัวที่อยู่เหนือน้าแล้วบัวที่หลอแสงสว่างของพระอาทิตย์ก็จะทำให้บัวนั้นบานออกมาใจของผู้ที่มี คุณธรรมต่างๆเช่นมีศีลมีสมาธิแล้วนี้ก็เพียงแต่รอรับแสงสว่างแห่งธรรมที่เรียกว่าปัญญานี้พอได้รับฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการถ่ายทอดปัญญาของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลย ถ้าเราฟังแล้วเรายังไม่ได้บรรลุธรรมก็แสดงว่าใจของเรานั้นยังไม่ได้โผล่เหนือน้ำขึ้นมาอาจจะอยู่กลางน้ำหรืออาจจะอยู่ปริ่มน้ำรอวันเวลาที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องถ้าเรายังไม่มีศีล เราก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปรักษาศีลแปดเรือรักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่สิบเจ็ด น, นี้ก็ถือว่าเป็นศีลที่อยู่ในระดับใกล้กเคียงกันความที่จะสนับสนุน ให้ก้าวขึ้นสู่การภาวนาคือสมถภ า, าวนาได้คือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิถ้าเรามีศีลแล้วเรามีสมาธิแล้วเวลาเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือนำธรรมของพระพุทธเจ้ามาพิพนิจพิจารณาเราก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ งั้นพวกเราจึงเป็นบุคคลที่อาจจะมีบารมีหรือมีความรู้ความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกันเหมือนกับบัวที่มีอยู่หลายระดับด้วยกันอย่างที่เราเคยได้ยินมาว่ามีบัวสี่ประเภทด้วยกันเรียกว่าบัวสี่เหล่าบัวที่อยู่เหนือน้ำก็เป็นพวกที่มีศีลมีสมาธิ เราเพียงแต่เอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาทันทีส่วนบัวชนิดที่สองเป็นบัวที่อยู่ปริ่มน้ำคือยังไม่พ้นเหนือน้ำขึ้นมาแต่ใกล้ เร เ, เวลาเพียงวันสองวันก็จะโผล่เหนือน้าขึ้นมาบัวพวกนี้ก็เหมือนกับบคุคคลที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิยังกำลังเจริญสติพยายามควบคุมความคิดตุงแต่งไม่ให้คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้คิดไปตามความโลภตามความโกรธตามความหลงตามความอยากต่างๆ พอใจได้รับการควบคุมด้วยส ต, ติอยู่เรื่อยๆไม่นานก็จะสงบเป็นสมาธิก็จะเลื่อนขยับขึ้นไปจากบัวเหล่าที่สองเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งก็คือบัวเหนือน้ําได้ส่วนอีกพวกหนึ่งนี้เป็นพวกที่ยังไม่ได้รักษาสิ่งยังไม่มีสมาธิ อาจจะเป็นพวกที่ชอบทำบุญทำทานแต่ยังไม่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ไม่ว่ า, า จ, จะเป็นศีลห้าหรือเป็นศีล8ปพวกนี้ก็ต้องพยายามทำบุญทำทานไปบ่อยๆแล้วก็พยายามหาดรักษาศีลในเบื้องต้นก็อาจจะรักษาในวันพระก่อน รักษาศีลในวันพระตอบมาถ้ารักษาได้ก็อาจจะเพิ่มวันจากวันพระเป็นวันก่อนวันพระวันหลังวันพระแล้วพอรักษาได้ก็พยายามรักษาให้ครบให้ได้ทั้งเจ็ดวันรักษาศีลห้าไปก่อนแล้วพอรักษาศีลห้าได้เจ็ดวันทีนี้ก็มารักษาศีลแปดในวันพระ แล้วก็เพิ่มการรักษาศีลแปดจากวันพระเป็นวันก่อนและวันหลังวันพระรวมกันเป็นสามวันแล้วก็พยายามรักษาไปเรื่อยๆจนสามารถรักษาได้ทุกวันถ้าพอรักษาศีลแปได้ก็จะสามารถที่จะไปเปีกวิเวไปอยู่ในสถานที่สงบห่างไกลจากแสงสีเสียง ทางกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัทชนิดต่างๆที่คอยดึงใจให้ไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบพอรักษาสีนแต่ได้ก็จะปีกวิเวกได้ไปทำใจให้สงบได้ ใจก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับบัวที่ค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนโผลขึ้นเหนือน้ำได้และพอได้รับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะบานออกมาได้ส่วนบัวชนิดที่สี่นี้เป็นบัวที่ยังอยู่ก้นก้นสะอยู่อยู่กับโคนกับตมอยู่ บัวเหล่านี้เป็นบัวที่จะไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้เพราะว่าจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปหมดนี่ก็เป็นพวกที่ไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาไม่สนใจที่จะเข้าวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติทานศีลภาวนา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติพวกนี้ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพน้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะไม่มีวันที่จะได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงที่ให้ความสุขกับตนได้ไปตลอดจะต้องอยู่กับที่พึ่งชั่วคราวที่พึ่งที่ไม่ใช่เป็นของตนเอง ที่พึ่งที่จะต้องให้ความทุกเวลาที่ต้องเกิดการพัาดพาคจากกันนี่ก็คือลักษณะของอบุคคลสี่ประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแยกแยะในครั้งที่ตัดสู้ใหม่ๆตอนที่ตัดสู้ขึ้นมาใหม่ๆนั้นทรงไม่มีพระไทยที่อยากจะสั่งสอน เพราะทรงคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากสาหรับสัตว์โลกทั่วไปที่จะสามารถน้อมนาเอาไปปฏิบัติได้เพราะทรงเห็นว่าสัตว์โลกทั่วไปนี้จะมุ่งไปหาที่พึ่งที่ชั่วคราวกันจะมุ่งไปที่ลาบยศสรรเสริญจะมุ่งไปที่ความสุข ทางตาหูจมูกเล่นกายกันถ้าจะสอนให้ละที่พึ่งเหล่านี้แล้วมาสร้างที่พึ่งอันใหม่ก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากจึงไม่มีความยินดีไม่มีฉันทะที่อยากจะนำเผยแผ่ความรู้ที่พระองค์ได้ทรงคนพบ คือความสงบของใจที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกแต่เนื่องจากทรงมีพระเมตตากรุณามีความปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้น ได้หลุดพ้นยังได้ใช้เวลาพิจพิจารณาดู mm. ก็ทรงเห็นว่ายังมีบุคคลที่พอที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้เขาได้ปฏิบัติได้สร้างความสงบที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาได้ จึงทรงจำแนกเห็นสัตว์โลกนี้เป็นเป็นบัวสี่เหล่าเป็นบุคคลสี่ประเภทประเภทที่พร้อมที่จะรับคำสอนที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วก็มีประเภทที่จะต้องใช้เวลาปฏิบัติใช้เวลาศึกษาไปก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาและบรรลุธรรม ได้ต่อไปและพวกที่สามพวกที่กําลังเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของการศึกษาของการปฏิบัติถ้ามั่นสอนเขาอยู่เรื่อยๆต่อไปเขาก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติทมและบรรลุธรรมได้ส่วนพวกที่สี่เป็นพวกที่มืดบอด พวกที่ไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระองค์พระองค์ก็จะต้องไม่ให้ความสำคัญไม่ให้เสียไม่ให้เสียเวลาไปสั่งสอนกับบุคคลเหล่านี้เพราะเหมือนสอนคนหูหนวกตาบอดสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการแสดงธรรมนี้จึงต้องมีผู้ที่สนใจถึงจะส่งแสดง ต้องมีผู้ขออาราธนาให้โปรดแสดงธรรมไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปเรียกคนนั้นคนนี้มาแล้วบอกมาฟังธรรมกับเราเถิดเราจะสอนเธอการที่จะสอนใครนี้ต้องดูว่าคนที่เราจะสอนนี้เขาสนใจหรือไม่เขาต้องการจะฟังหรือไม่เขาอยากจะรู้หรือไม่ ถ้าเขาไม่สนใจไม่สนใจไม่อยากจะฟังก็อย่าไปเสียเวลาเพราะเหมือนกับพูดกับคนหูหนวกพูดไปเขาก็ไม่ได้ยินเพราะใจของเขาไม่ได้หงายขึ้นมารับเสียงธรรมที่เราจะบอกเขาใจเขาคว่มลงไปเหมือนกับแก้วน้าที่คว่มอยู่เวลาเราจะเทน้ำใส่แก้วเราต้องหงายแก้วน้าขึ้นมาก่อน เราถึงจะสามารถเทน้ำลงไปในแก้วได้ถ้าแก้วน้ำคว่มอยู่แล้วเทน้ำไปเทไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีน้ำติดอยู่ในแก้วแม้แต่หยดเดียวอันนี้ก็เหมือนกันการที่พระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระธรรมคำสอนสั่งสอนขายนี้พระองค์จะต้องดูจิตใจของผู้ที่ทรงสั่งสอนว่าอยู่ในสภาพใด อยู่ในระดับความแก้วอยู่หรือไหยแก้วระดับงหยแก้วก็มีอยู่หลายระดับระดับแก้วที่ยังไม่มีน้ำเลยแม้แต่หยดเดียวหรือระดับที่มีน้ำอยู่บ้างแล้วก็สงสอนทำให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังผู้ที่ยังไม่เคยรู้เรื่องการปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติเลยก็สงสอนเรื่องทำทานไปก่อน ให้หัดทำทานให้เสียสละแบ่งปันให้ละที่พึ่งาทางเงินทองไปเสียเพราะว่าเป็นที่พึ่งชั่วคราวให้มาสร้างที่พึ่งสาวน์าวน์ด้วยการทำทานการทำทานก็จะช่วยทำให้ใจสงบระงับได้ในระดับหนึ่งทำให้ใจมีความสุขได้ระดับหนึ่ง ทำให้ใจมีความเมตตากรุณาขึ้นมาที่พร้อมที่จะสามารถทำให้สามารถรักษาศีลห้าได้เพราะผู้ที่ทำทานถ้าทำด้วยความเมตตากรุณาก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่นถ้าทำทานจนเป็นนิสัยอย่างนี้แล้วก็จะ ระมัดระวังเวลาจะทำอะไรจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างง่ายดายเพราะการรักษาศีลก็คือการละเว้นการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนที่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเป็นการกระทำที่จะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายหแก่ผู้อื่นพอมีจิตที่เมตตากรุณามีความปรารถนาดีอยากจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้ ก็จะทำให้สามารถรักษาศีลห้าขึ้นมาได้แล้วพอรักษาศีลห้าได้ก็จะเห็นผลที่เกิดจากการรักษาศีลว่าทำให้ใจมีความมั่นคงมีความสบายใจไม่วิตกกังวลวุ่นวายเดือดร้อนไปกับการกระทำบาปต่างๆเพราะเวลาทำบาปเวลาทาผิดศีลนี้ใจจะมีความวิตกกังวล มีความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องรับผลบาปที่ตนเองได้ทำเอาไว้นั่นเองแต่เวลาที่ไม่ได้ทําบาปเวลาที่ได้รักษาศีลก็จะทําให้รู้สึกสบายใจไม่มีความวิตกกังวลว่าจะต้องไปรับใช้ผลบาปผลกรรมได้อย่างใดเมื่อเห็นคุณค่าของการรักษาศีล เห็นคุณค่าของความสงบของใจว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งก็อยากจะได้ความสุขของใจเพิ่มมากขึ้นก็จะเริ่มสนใจกับการลังงับการกระทําต่างๆที่ทําให้ใจวุ่นวายทําให้ใจไม่สงบเอทําให้ใจไม่มีเวลามาทําใจให้สงบเออ ก็อยากจะปฏิบัติเนคขมภ์ก็คืออยากจะออกการหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเพราะเห็นว่าการหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายนี้มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายไม่ได้มีความสงบเหมือนกับการไม่ต้องหาไม่เหมือนกับการที่อยู่เฉย แล้วใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบพอเวลาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็ต้องมีการเตรียมการต่างๆต้องหาทรัพย์หาเงินหาทองต้องหาเสื้อผ้าสวมใส่พอเวลาจะออกไปข้างนอกไปหาความสุขก็ต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาผากทํเเผาทําทผมวุ่นวายกันพอสมควร เพื่อที่จะไปหาความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะซึ่งก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวความสุขที่ได้จากขณะที่ได้เสพได้สัมผัสพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็จางหายไปหมดแล้วก็มีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเข้ามาแทนที่ทำให้ต้องมี ทำให้ต้องอยากออกไปหาความสุขอีก็ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาเสื้อผ้าหาการเครื่องสำอางหาอะไรต่างๆเพื่อมาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปาเพื่อที่จะได้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้งกายใหม่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ต้องออกไปหาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดเกิดมีการไม่สามารถไปได้เช่นไม่สบายหรือขาดเงินขาดทองหรือไม่มีที่จะไปไม่รู้จะไปไหนไปมาทุกที่แล้วไปแล้วก็เบื่อไปบ่อยๆเข้าก็ซ้ำซากก็เกิดความหงุดหงิดลำขาดใจอยู่บ้านก็อยู่ไม่มีความสุข พอเห็นโทษของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อยากจะลองหาความสุขแบบไม่มีไม่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผดทา่าพระไม่ต้องใช้เงินใช้ทองดูก็จะสนใจที่จะรักษาศีลแปดไปอยู่วัดไปปฏิบัติในคำะในวันพระ หรือวันที่หยุดจากภารกิจการงานสมัยก่อนวันพระเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนไม่ต้องทํางานทําการกันเป็นวันที่มีเวลาว่างที่จะเข้าไปวัดเพื่อไปรักษาศิงหแปดเพื่อไปเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนากันได้ในสมัยนี้เนื่องจากการเวลาเปลี่ยนไป วันหยุดของพุทธศาสนิกชนนี้ไม่ได้ตรงกับวันพระเหมือนในอดีตเสียแล้วก็ต้องใช้วันหยุดที่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นวันพระแทนเช่นสมัยนี้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์กันก็ให้ไปวัดวันเสาร์วันอาทิตย์กันหรือวันไหนที่มีวันหยุดหลายหลายวันเช่นหยุดทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างถ้าต้องการพบกับความสุข ที่แท้จริงพบกับที่เพิ่งที่ถาวนก็ต้องใช้เวลาของวันหยุดเหล่านี้เข้าไปศึกษาไปปฏิบัติรักษาศีลแปดไปเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้นำเอามาทำให้ใจได้บรรลุทำขั้นต่างๆได้ก็ทำไป ถ้าทำอย่างนี้ก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับขณะนี้เราอยู่ขั้นไหนเราก็พยายามขยับก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงกว่านี้ถ้าเรายังอยู่ในขั้นผิดทำทานอย่างเดียวยังไม่ได้รักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปดก็ควรที่จะขยับขึ้นไปทำทานถ้ายัางน้อยอยู่ก็ทำให้มันมากขึ้น เอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาทำบุญทาทานกันเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราจะพบว่าเราจะได้ความสุขมากกว่าการใช้เงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการเอาเงินมาทำบุญทาทานนี้กลับจะให้ความสุขกับเรามากกว่า เราก็จะชะลอแล้วหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะทำให้เรารักษาศีลห้าศีลแปดได้ทำให้เราไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมแล้วเราตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปในเรื่องราวต่าง ด้วยการใช้สติจะเป็นการบริกรรพุทโธพุทโธไปก็ได้จะเป็นการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก็ได้ในขณะที่กำลังทำภารกิจการงานต่างๆยังในขณะที่ร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกับการบริกรรพุทโธแล้วพอเวลานั่งเฉย ก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกแทนการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้ามีการเฝ้าดูอยู่อย่างต่อเนื่องใจไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งสมาธิเวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือจะใช้การบริีกรรมพุทโธพุทโธใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไม่มีการจเจริญสติก่อนที่จะมานั่ง เวลาทำอะไรก็ปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่มีบริกรรมพุทโธพุทโธคอยกํากับเอาไว้ใจก็จะลอยไปเรื่อยๆจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปควบคู่กับการกระทาอะไรต่างๆเดินไปก็อาจจะคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำงานก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ขับรถไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติควบคุมใจพอเวลาจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจก็จะไม่สงบเพราะมันไม่อยู่กับที่นั่นเองมันลอยไปลอยมามันไม่ตั้งมั่นคำว่าสมาธิก็แปลว่าการตั้งมั่นของใจใจจะตั้งมั่นได้ก็ต้องมีสติคอยกำกับดูแลคอยควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดถึงเรื่อง น, นั้นเรื่องนี้ ควบคุมบังคับให้ใจอยู่กับบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรืออยู่กับการกระทําของร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบทใดก็ให้เฝ้าดูอยู่ในเอเรียบทนั้นไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมีเวลาว่างไม่ต้องทําภารกิจการงานต่างๆก็มานั่ง ขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้ห้อยเท้าแล้วแต่ความถนัดถ้ายังนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ไปก่อนแล้วก็ใช้การบริกรรมพุทธโธกำกับใจไปถ้าเหนื่อยไม่อยากจะบริกรรมอยากจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ใช้แทนกันได้บางท่านก็ใช้สองอย่างควบกู้กันไปอันนี้ก็แล้วแต่จริตนิสัย ถ้าทําแล้วได้ผลก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามันยุ่งยากมันสับสนก็สู้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมไม่ต้องใช้ลมหรือจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ขอให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอยู่กับลมอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลาเข้าสู่ความสงบใจก็เหมือนกับตกหนุมตกบ่อวุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบอยู่กับความสบายอยู่กับอุเบกขาอยู่แต่สักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างไม่มีอะไรให้รับรู้อันนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องถ้าไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอสงบแล้วไปเห็นนูน่นเห็นนี่ ไปมีอะไรมาให้ปรากฏให้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือมีความรู้ความสามารถพิเศษอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปให้ความสนใจควรที่จะดึงใจให้กลับเข้ามาให้อยู่กับสักแต่ว่ารู้อย่าไปตามรู้กับเรื่องราวต่างๆอย่าไปให้ความสนใจ ถ้าต้องใช้พุโทโธหนึ่งกลับมาก็ใช้พุโทโธหนึ่งถ้าดูลมได้ใช้กลับไปอยู่ที่ลมก่อนก็ได้อย่าไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆหรือกลับมาอยู่กับตัวรู้ผู้รู้ได้ก็ให้อยู่กับสับแต่วรู้ไปอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้แล้วเดี๋ยวเรื่องราวเหล่านั้นมันก็จะหายไปแล้วใจก็จะว่างเย็นสงบสบาย สาเหตุที่ต้องการให้อยู่กับความว่างความสงบเพราะความว่างความสงบนี้มีอุเบกขาจะทําให้ใจนี้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงแต่เป็นการมีอยู่ชั่วคราวในขณะที่มีอยู่ในสมาธิเท่านั้นความโลภความโกรธความหลงความอยากยังไม่ได้ถูกทําลายไปด้วยอํานาจของสมาธิหรือสติเพียงแต่ ถูกจับมัดเอาไว้ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านไม่ให้มาสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนเท่านั้นเองแต่พอหลังจากที่จิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วก็เริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มมารับรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะเกิดกิเลสตัณหาโผลขึ้นมาได้ถ้าอยากจะกาจัดกิเลสตัณหาก็ต้องใช้ปัญญา ถ้าไม่ใช้ปัญญากิเรตันหาก็จะไม่ตายและจะมาสร้างปัญหาให้กับใจต่อไปได้อยู่เรื่อยๆและถ้าออกจากสมาธิที่สงบที่ว่างที่มีอุเบกขาจะมีกาลังที่จะใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเรตันหาได้หรือถ้าเวลาออกมาแล้วยังไม่มีกิเรตันหาก็สามารถใช้ปัญญาให้พิจารณาถึง ความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตได้ฉันพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาถึงการพัดพรากจากกันว่าจะต้องเป็นความทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าพิจารณาแล้วเพื่อที่จะได้สอนใจให้ยอมรับกับความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่อยาก ให้ไม่ให้เกิดขึ้นมาไม่ได้เวลาเกิดก็ต้องยอมรับมันเพราะถ้าไม่ยอมรับมันถ้าอยากให้มันไม่เกิดหรืออยากให้มันหายไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บเกิดจากความตายเกิดจากการพัดพรากจากกันและเกิดจากความอยากเกิดจากตัณหาความอยากที <t <t ่ไม่ต้องการให้มันแก่ ไม่ต้องการให้มันเจ็บไม่ต้องการให้มันตายนี้ต่างหากแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาก็ต้องเห็นว่าก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของทุกคนนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันเสือ่อมจะต้องมีการพัดพรากจากกาันไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความจริงเหล่านี้ไปได้ เ, เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นไม่ได้ และการมีความอยากก็ไม่ได้ไปทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามความอยากได้นอกจากเป็นการสร้างความทุกข์ทรมารใจให้กับตนโดยใช่เหตุพอเห็นด้วยปัญญาก็จะทำใจเป็นอุเบกขาวางเฉยได้หยุดตันหาความอยากต่างๆได้พอหยุดตันหาความอยากได้ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียกับการพัดพากจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆไปเพราะใจปล่อยวางใจไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นอะไรจะเป็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปการสักแต่ว่ารู้นี้จะทําให้ใจไม่มีความทุกข์ใจ ถ้าไม่สักแต่ว่ารู้ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเมื่อ น, นั้นแต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราจะต้องมีการพัดพากจากกันไปในที่สุดถ้ายอมรับความจริงอันนี้ได้ก็จะไม่ทุกข์ ถ้าไม่ยอมรับก็จะทุกข์เพราะจะเกิดความอยากไม่ให้ไม่ให้พัดพากจากกันอยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดสัพเพธรมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปจากใจก็คือความสงบที่ได้รับจากการ ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปที่ได้รับจากการละตันหาความอยากในทุกสิ him, so so like it, so they. They ่งท so so so so so ุกอย่างปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเวลาเขาอยู่อยากให้เขาไปก็ทุกเวลาเขาจะไปอยากให้เขาไม่ไปก็จะทุกเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไร เวลาเขาไปเขาก็ไปเวลาเขาอยู่เขาก็อยู่นี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้ามีปัญญาคอยสอนใจก็จะสามารถควบคุมตันหาความอยากต่างๆที่จะคอยผลิตความทุกข์ความทรมานใจนั้นไม่ให้เกิดขึ้นมาได้จนไม่เกิดไปตลอดใจก็จะสงบไปตลอด ใจก็จะมีความสุขไปตลอดนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าละใจของพระอรหันตสาวกท่านสามารถสร้างความสงบสร้างความสุขของใจและสามารถรักษาความสงบความสุขของใจนี้ให้อยู่ไปได้อย่างถาวรท่านจึงเอามาสั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีสร้างความสงบให้กับใจ ยังไม่รู้จักวิธีรักษาความสุขหลังจากที่เราได้แล้วให้อยู่กับเราไปตลอดถ้าเราน้อมนำเอาวิธีการของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะสามารถได้รับความสุขได้รับความสงบของใจขึ้นไปตามลำดับตามขั้นของการปฏิบัติของเราขั้นทานก็ให้ความสงบความสุขกับใจได้ในระดับหนึ่ง ขั้นศีลก็ได้อีกระดับหนึ่งขั้นสมาธิก็ได้อีกระดับหนึ่งขั้นปัญญาก็จะได้ระดับถาวนระดับที่สูงสุดระดับที่จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยจะต้องใช้ขั้นปัญญาเป็นตัวกาจัดขั้นอื่นนี้จะเป็นเป็นความสงบชั่วคราวเวลาที่ ทำทานเวลารักษาศีลเวลานั่งสมาธิก็จะได้ความสงบแต่เวลาใดไม่ได้ทำทานไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิความสงบที่ได้ก็จะหายไปจะได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะเวลาที่ได้ทำทานได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิแต่ได้ได้ขั้นปัญญานี้จะได้ความสงบอย่างถาวร เพราะปัญญานี้จะรักษาความสงบให้อยู่คู่กับใจไปได้ตลอดด้วยการทําลายตันหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะมาคอยทําลายความสงบของใจพอตัญหาถูกทําลายไปหมดด้วยกาลังของปัญญาแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทําลายความสุขความสงบของใจได้อีกเลยใจก็จะสงบไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แม้ขณะ น, นี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ยังตั้งอยู่ในความสงบเหมือนในสมัยที่ไม่ได้จากโลกนี้ไปใจของพระพุทธเจ้านี้สงบตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกและสงบไปในขณะที่มีร่างกายอยู่ถึงสี่สิบห้าปีพอหลังจากไม่มีร่างกายแล้วก็ยังสงบต่อไปเหมือนเดิม พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันขณะที่มีร่างกายหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วใจก็สงบและสงบไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพอหลังจากร่างกายตายไปแล้วความสงบก็ยังสงบต่อไปจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายจะไม่มาเปลี่ยนแปลงความสงบที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวก เพใจนี้ไม่ได้มีไม่ได้พึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ใจสงบใจมีธรรมรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องของการมาเปลี่ยนที่พึ่งที่พึ่งที่ไม่ถาวรที่พึ่งที่ให้ความทุกข์ที่พึ่งที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นที่พึ่งที่ถาวร ที่พึ่งที่ให้ความสุขตลอดเวลาที่พึ่งที่จะเป็นของเราตลอดเวลาด้วยการเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษาและมาปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นวิธีที่สร้างที่พึ่งที่ได้ทำกันมาในทุกยุคทุกสมัยที่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้แก่สัตวโลกเป็นที่พึ่ง พระทุทธศาสนาทุกๆศาสนทุกๆยุคทุกๆสมัยนี้จะสอนแบบเดียวกันหมดสอนให้ทําทานให้รักษาศีลให้สมะให้ภาวนาให้เจริญสมถ ภ, ภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้ใจมีความสงบเพื่อให้ใจมีความสุขอย่างทาวรเพื่อให้ใจมีที่พึ่งอย่างทาวรเพราะฉะนั้นไม่ต้องมารอ พกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็จะสอนแบบเดียวกันให้ทําแบบเดียวกันให้ทําทานให้รักษาศีลให้ภาวนาแบบเดียวกันถ้ามัวจะมาบอกว่าจะรอพระพุทธเจ้าองค์หน้าก่อนแล้วค่อยมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนาก็จะเป็นเหมือนกับคนไข้ที่ ปฏิเสธหมอที่มีอยู่ในปัจจุบันบอกว่าจะรอให้หมออนาคตมารักษาถ้าไม่รีบรักษาด้วยหมอหมอปัจจุบันที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้จะมารอหมอที่จะมาในอนาคตก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปอีกเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพราะกว่าที่จะมีหมอคนใหม่มารักษา โลกภัยค่าเจ็บของเราได้ก็เป็นเวลาเป็นกลับเป็นกันเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาสั่งสอนพวกเราให้ได้ดุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องรอเวลาไปเป็นกลับเป็นกันด้วยกันขณะที่รอนี้เราก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุกครั้งที่เราต้องมาเกิดกัน ถ้าพอได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งอาจจะพบก็ได้ไม่อาจจะพบก็ได้เพราะจังหวะของการมาเกิดนี้มันไม่แน่นอนว่าจะมาเกิดอยู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือไม่ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามีคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอยู่แล้วที่จะสอนให้เราปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคตไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเราจะมัว เสียเวลารอไปทําไมให้ทุกไปทําไมปบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตอนนี้มีหมอที่จะรักษาโรคภัยแย้เจ็บของเราให้หายได้แล้วทําไมไม่รักษาทําไมบอกว่าจะรอหมอคนใหม่หมอคนใหม่ก็หมอคนนี้ก็เหมือนกันวิธีรักษายารักษาก็วิธีเดียวกันยาก็ชนิดเดียวกันรักษาแล้วก็หายเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของ เขาเรกกเล่กลนของกิเลสตัณหาที่จะหลอกล่อให้เราไม่ให้เข้าสู่กระบวนการของการศึกษาของการปฏิบัติจะหลอกเราว่าให้เรารอไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปดีกว่าจะได้ฟังธรรมอย่างสดสดร้อนๆ้อนทำในปัจจุบันนี้เป็นธรรมแบบเหมือนกับไม่ไม่สดสดร้อนๆ้ซะแล้วเพราะไม่ได้ฟังจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรง แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกแล้วว่าทำผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้เห็นเราก็คือผู้เห็นธรรมทำกับพระพุทธเจ้านี้เป็นองค์เดียวกันเป็นทดแทนกันได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้มาเป็นคนแสดงธรรมเองแต่ถ้าเป็นธรรมของพุทธเจ้าที่ได้แสดงไว้ในอดีตผู้อื่นนํามาแสดงแทนพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมอันเดียวกันที่จะสามารถทําให้เรา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นอย่าไปหลงเล่กลนของกิเลสตัณหาที่จะบอกให้เราคอยผัดเวลาไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่ต้องพึ่งทำขอพึ่งที่พึ่งชั่วคราวนี้ไปก่อนแต่พอเวลาแกแล้วมันจะไม่ทันการเดียวแรงก็จะไม่มี อันนี้กําลังมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังวังชามีความสามารถที่จะสร้างที่พึ่งอันใด อ, อันใหม่ได้ถ้าไม่ทําเสียโมแต่จะรอให้เวลาผ่านไปก่อนให้ใกล้ตายก่อนแล้วค่อยมาสร้างอาจจะไม่มีเวลาใกล้ตายก็ได้เพราะอาจจะตายแบบปัจจุบันทันด่วนก็ได้หรืออาจจะตายหรือว่าจะจะตายแบบ รวดเร็วเจ็บไายได้ป่วยไม่กี่เดือนก็ตายก็มีหรืออยาไปรอว่าต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาสั่งสอนก่อนอันนี้เป็นเล่เลกลของกิเลสตัณหาที่จะหลอกล่อไม่ให้เราเข้าสู่กระบวนการของการกําจัดกิเลสตัณหานั่นเองดังนั้นขอให้เราดูผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านไม่คิดเหมือนเรา ท่านคิดว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วรีบตักดวงเสียน้ําขึ้นให้รีบตักเพราะเวลาที่น้ําหมดหรือเวลาเราไม่มีกําลังจะตักเราจะไม่สามารถที่จะตักน้ําได้มีน้ําไว้ใช้สอยได้ตอนนี้เรามีชีวิตเราสามารถปฏิบัติได้เรามีพระธรรมคำําสอนเราสามารถศึกษาได้เรารีบฉวยโอกาสนี้เพราะต่อไปเราอาจจะไม่มีชีวิตที่จะมาปฏิบัติ หรือไม่มีพระธรรมคาสอนหลงเหลืออยู่ในโลกให้เรามาสั่งสอนให้กับพวกเราให้เราได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ลำนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นเวลานี้มีชีวิตมีเวลามีโอกาสขอให้รีบตักตวงโอกาสนี้เถิดเพราะไม่ใช้เวลามากเลย ทำไปไม่กี่ปีก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เ, ออเมื่อบรรลุได้แล้วทีนี้จะทำไม่ทำก็ไม่เป็นปัญหาแล้วจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วออพะเราได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมื อ, อต่อไปออจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างที่พึ่องอันใหม่นี้ให้ท่านได้นาเอาไปเพณิตเพจ า, าไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้ที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรที่จะให้ความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังต um ุมหังคิป้เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุส ah ังกปาจันโทปนะระโสยาถามณิโชติ ราสโสยทาสพีติโยวิวัชฉานตุสัพพโรโครวินัสตุมาเตภวตวันตายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานศีลสะนิจังมุทธาปจายโนจตรมมารโอธรรมวะทานติอายุวันโนสุขังภลัง ลําดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคําถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วจะไม่ไม่ตอบคําถามอีกใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ตอนนี้เลยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกร อ, อ่านคําถามผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตขอรบกวนถามท่านพระอาจารย์นะครับ คือว่าผมสังเกตเวลาภาวนาเนี่ยบางทีมันจะมีอาการเผลอแต่ถ้าผมพิจารณากายจะไม่ไม่เผลอเลยเพราะจะอยากทราบว่าอันไหนควรปฏิบัติอันไหนดีกว่ากันครับอันไหนก็ได้ถ้ามันได้ผลถ้ามันไม่ได้ผลทั้งสองอันมันก็ไม่ได้นั้นให้ดูที่ผลถึงแม้ว่าเราอาจจะพิจารณากายได้แต่ใจมันไม่สงบก็ก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดี ค, คำถามจากทางบ้านผ่านทางเฟ e บุ๊ k ค่ะคำถามจากคุณอาร์ตอมเรศข้อแรกการปฏิบัติเริ่มแรกเราควรฝึกสติให้สติตั้งจนไม่เผลอก่อนโดยไม่ต้องไปยุ่งเรื่องปัญญาเลยโดยที่บริกรรมพุทโธอย่างเดียวจนกว่าจะเจอผู้รู้ แล้วค่อยพิจารณาปัญญาแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะขั้นตอนก็ควรจะมีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบให้สักแต่บรู้แต่ในขณะที่สงบอยู่กับผู้รู้นี้ไม่ควรจะไม่ควรพิจารณายังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะพิจารณาปัญญาจะพิจารณาก็ต้องรอถอนออกจากความสงบก่อน ถอนออกมาแล้วก็มาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาดึงความคิดที่จะไปคิดเรื่องต่างๆมาคิดในเรื่องที่เป็นปัญญาคิดว่าเป็นอนิจจังคิดว่าเป็นทุกขงังคิดว่าเป็นอนัตตาข้อสองค่ะจินตมยปัญญาสามารถตัดกิเลสได้ไหมครับแล้วจินตมยปัญญาต่างจากภาวนามยปัญญาอย่างไรครับจินตมยปัญญาก็คือความคิด ของจิตที่ยังไม่มีความสงบนะอย่างเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่เราก็คิดกันได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่เวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความหดหู่ใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแทนที่จะเกิดความสงบมันไม่สงบแสดงว่า จินตามวิปัญญานี้มันไม่มีกําลังที่จะหยุดความหดหู่ความไม่ส ง, มไมสงบได้แต่ถ้าเป็นภาวนามยปัญญาก็คือความคิดที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนคือจิตของผู้ที่มีความสงบแล้วมีอุบเบกขาแล้วพอมาพิจารณาทางทางปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงเช่นร่างกายต้องเกิดแก่เจ็บตาย แทนที่จะมีความรู้สึกขดหูหรือไม่สบายใจหวาดกลัวก็จะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้จะรู้สึกเฉยเฉยปล่อยวางได้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตายได้นี่คือความแตกต่างระหว่างจินตามยปัญญากับภาวนาภาวนา ม, นามยปัญญาจินตานี้คิดคิดได้แต่ดับความทุกข์ไม่ได้ภาวนามยปัญญานี้คิดแล้วดับความทุกข์ได้ เวลาเจอความแก่ก็จะไม่ทุกเจอความเจ็บก็ไม่ทุกเจอความตายก็จะไม่ทุกข้อ 3. ค่ะเมื่อผมนั่งภาวนาสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อนั่ง เ, เงียบๆคนเดียวจะสปะงกซะส่วนใหญ่และมีความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดโผลมาบ่อยและจับไม่ค่อยได้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้านั่งภาวนาและฟังเทศไปด้วยจะไม่ค่อยหลับครับและได้ผลดีกว่า นั่งแบบฟะนั่งแบบไม่ฟังเทศเพราะจะไม่ค่อยมีความคิดแบบนั่งเงียบๆโผล่ขึ้นมาข้อนี้ถ้าจะให้สงบผมต้องอาศัยฟังไปนั่งไปผมควรจะทําอย่างไรครับให้นั่งได้สงบสงบโดยไม่ต้องอาศัยการฟังไปด้วยครับก็ต้องพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งเพียงอย่างเดียว ควรจะเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาต้องคอยควบคุมใจอย่าให้ลอยไปตามเรื่องราวต่างๆตามความคิดต่างๆให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับคบําบาลีรมพุโทโธพุธโทโธและอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่างที่ได้เทศไว้ในวันนี้ต้องฝึกสติต้องเจริญเจริญสติให้มากๆก่อนและเวลามานั่งแล้วจะควบคุมความคิดได้ ควบคุมความคิดควบคุมใจให้สงบได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าเรานั่งเราอยากจะนั่งแล้วเราไม่สามารถทําให้มันสงบได้แต่ถ้ามีการฟังเทศฟังธรรมแล้วช่วยทําให้สงบได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําเลยแต่เป้าหมายสุดท้ายก็คือต้องการที่จะไม่ต้องพึ่งอะไรเลยเป็นเป็นที่พึ่งนอกจากสติปัญญาของเราเท่านั้น ข้อสี่ค่ะปัญญาของจริงกับปัญญาที่เราคิดว่าเป็นปัญญาแต่ที่จริงคือความฟุ้งซ่านสังเกตยังไงครับเพราะถ้ารู้ว่านี่คือความฟุ้งซ่านผมจะได้หยุดคิดครับถ้าเป็นปัญญาจริงมันก็ต้องสงบถ้าเป็นปัญญาปลอมมันก็จะไม่สงบข้อหค่ะการอ่านหนังสือธรรมะเยอะๆฟังเยอะ จะเป็นผลเสียไหมครับตอนปฏิบัติจะทำให้เกิดอาการอยากตามหนังสือและเกิดสัญญาที่เป็นผลเสียไหมครับมันก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองแหละคนที่เขาอ่านแล้วเขารู้ว่าเขาควรจะทาอะไรแล้วเขาปฏิบัติตามที่ควรจะปฏิบัติโดยไม่มีความอยากก็ไม่เสียหายตรงไหนคนบางคนนี้ศึกษาแล้วแต่ไม่ปฏิบัติแต่อยากได้ผล เวลาปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัตินั่งแต่มีความอยากอย่างนี้ก็เกิดความเสียหายได้ฉั้นผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าเวลาปฏิบัติแล้วจะต้องไม่มีความอยากให้ได้ผลให้เพ่งไปที่เหตุเพียงอย่างเดียวถ้าจเจริญสติก็ต้องอยู่กับสติไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลว่าผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดเร็วหรือเกิดช้าอันนี้ ถ้าไปกังวลนี่ก็เรียกว่าเป็นความอยากไปปรุงแต่งแล้วใจก็จะไม่สงบให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวจะสงบไม่สงบไม่ต้องใปสนใจเดี๋ยวเวลามันสงบมันโผล่ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจแล้วมันจะไม่โผล่ขึ้นมาข้อหกค่ะผมมีความคิดความเห็นว่าเราเป็นทุกข์เพราะไม่ยอมรับ ในสัจธรรมครับอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเราึงต้องพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อให้จิตยอมรับให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีความจริงมาคอยสอนคอยบอกใจใจก็จะถูกความหลงให้ปฏิเสธความจริงไม่อยากจะเจอความจริงเช่นความตายนี้พวกเราไม่มีใครอยากจะคิดถึงมันอไม่อยากไม่อยากจะเจอมันแต่บางทีมันก็ต้องเจอเพราะว่ามันเป็นของที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนะ แต่เวลาเจอก็เจอแบบไม่สบายใจเช่นเวลาคนที่เรารู้จักตายไปอย่างนี้เราก็ต้องไปงานศพเขาเวลาไปนี้ไม่มีใครอยากจะไปกันแต่ก็ต้องไปเพราะสังคมบังคับให้ไปกันอันนี้เป็นเพราะว่าใจเราไม่ไม่ไม่ยอมรับความจริงกันแต่ถ้าเราหมั่นเจริญ คิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่ทั้งวันเนี้ยถ้าเราสามารถคิดได้ต่อไปมันจะมันจะติดอยู่กับใจแล้วมันจะไม่ปฏิเสธมันจะยอมรับได้คำถามต่อมาจากคุณนิสราเลิศวิโรดคุณการดูจิตแล้วทราบแต่มีกิเลสแล้วไม่สามารถจะบังคับได้เช่น เมื่อเห็นจิตเศร้าหมองโดยไม่รู้สาเหตุจะบังคับไม่ให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ช่วยชีห้หนทางในการปฏิบัติต่อไปค่ะเพราะว่าไม่มีกำลังอุเบกขาไม่มีสมาธินั่นเองดังนั้นต้องทาใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนแล้วค่อยไปดูจิตถ้ามีกำลังแล้วเวลาดูจิตเห็นจิตเศร้าหมองก็จะหยุดเหตุที่ทำให้จิตเศร้าหมองได้ก็คือตัณหาความอยากต่างๆนั่นเอง จากคุณสกุลนิยมทองค่ะต้องมีอุปนิสัยในอดีตชาติมาก่อนเพราะการภาวนาเป็นการเผากิเลตันหาถูกต้องไหมคะคืออดีตชาติของพวกเราแต่ละคนนี้เราก็ได้สะสมอุปนิสัยต่างๆกันมาอุปนิสัยที่ไปในทางธรรมก็เรียกว่าบารมีอุปนิสัยที่ไปในทางกิเลกก็เรียกว่ากรรม นี่ก็ขึ้นอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วเรามีอะไรอุปนิสัยแบบใดมามันก็เป็นผลที่เกิดจากอดีตที่เราทำมาแต่สิ่งที่เราขาดหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เราต้องการที่จะกาจัดเราก็ยังสามารถทำได้ในปัจจุบันถ้าเรามีอุปนิสัยไม่ดีเช่นชอบเดิมสุราเล่นการพนันชอบโกหกหลอกลวงชอบกาสัตว์ตชีวิต เราก็พยายามเปลี่ยนได้เลิกได้สร้างอุปนิสัยที่ดีใหม่ขึ้นมาได้ถ้าใจเราลอยไม่มีสติสตังเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ถ้าใจเราไม่มีปัญญาเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้โดยการฟังเทศฟังธรรมก่อนเพื่อให้เกิดสุตมะยปัญญาคือความปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอามาเจริญต่อ ก็กิจการเป็นจินตามยะปัญญาไปเจนพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสุตรตามยะปัญญาแล้วพอเราเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นจินตามยะปัญญาถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆจิตสงบรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมามันก็จะกลายเป็นภาวนามยะปัญญาขึ้นมาได้ก็จะสามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ อันนี้ก็อย่าไปโทษอดีตอดีตเราโทษไปมันก็ทำอะไรไม่ได้มันผ่านมาแล้วแต่เราควรจะโทษปัจจุบันคือปัจจุบันนี้เป็นตัวที่เราสามารถทําในสิ่งที่เราขาดให้มีได้ทําลายสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดไปได้แต่ถ้าเราไม่ทํามันก็จะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อดีตก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่อบายสัยเดิมที่มีอยู่ก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่เราเปลี่ยนได้ แต่เราต้องมีความอดทนมีความตั้งใจว่าชาตินี้จะมาขอเปลี่ยนอุปนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายให้กลายเป็นอุปนิสัยที่ดีให้เป็นบารมีสิบขึ้นมาอย่างนี้นี่คือความตั้งใจเราสามารถตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะมีความจริงใจต่อความตั้งใจตั้งใจว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้เมื่อมีสัจจะทาแล้วก็ต้องทำอย่าง ขยันหมั่นเพียรทําอยู่บ่อยๆทําให้มากๆทําด้วยความอดทนด้วยถ้าไม่มีความอดทนเดี๋ยวพอมันยากมันลําบากมันทุกข์ก็จะไม่อยากทําขึ้นมาดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนอุปนิสัยต่างๆที่ไม่ดีได้ด้วยอาศัยด้วยอาศัยความตั้งใจด้วยอาศัยความจริงใจอาศัยความเพียรและอาศัยความอดทนขันตินี่คือบารมีสี่ประการที่จะสามารถ พลิกจิตของเราให้กลายเป็นจิตที่เลิศจิต ท, ที่วิเศษได้คําถามต่อไปจากคุณดีดีวงค่ะเวลานั่งสมาธิพอเราบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วไม่คิดอะไรเลยอีกสักแป๊บรู้สึกเหมือนปุบปบแล้วก็ตื่นอีกแล้วก็บริกรรมอีกก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่ก้าวหน้าสักที จะแก้ไขอย่างไรคะเวลามันวูบแ้ามันลองลองลองไม่ต้องบริกรรมดูให้ดูเฉยๆไปดูว่ามันจะนิ่งอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าไม่คิดอะไรได้หรือเปล่าเพราะบางทีจิตสงบแล้วเราไปบริกรรมมันก็จะให้มันไม่สงบเวลามันสงบมันวูบมันที่มันจะวูบแบบไหนวูบแบบหลับแล้ววูบแบบตื่นเทนั้นเอง ถ้าวูแบบเตือนมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาพอมันวูบเราก็สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่ามันวูบแล้วดูว่ามันจะนิ่งมันจะสงบมันไม่คิดปรุงแต่งหรือเปล่าถ้ามันนิ่งไม่คิดปรุงแต่งก็ใช้สติประคับประคองมันให้มันอยู่ในสภาพนั้นไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้ามันเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วเราค่อยมาพุทโธหยุดมันใหม่อีกทีนก่อนคําถามจากคุณจันทรามาสุริยค่ะ เวลานั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติธรรมพยายามทุกวันแต่จิตก็ยังไม่นิ่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดค่ะจะทําอย่างไรดีคะก็ขาดสติไงต้องเจริญสติอยู่บ่อยๆ น, นอกจากเวลาที่มานั่งแล้วต้องเจริญสติตลอดเวลาลื่นตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเลยอย่าส่งใจไปที่ทํางานส่งใจไปอดีตไปอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเสมอ การจะมีสตินีจิตจะต้องอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณปัทมาเลี้ยงสุขสันค่ะมางกายควรทำเวลาไหนดีคะเพราะตอนนั่งสมาธิไม่ควรคิดนึกอะไรจิตจะได้รวมและตั้งแต่ตื่นนอนให้มีสติอยู่กับพุทโทธตลอดเวลาจำเป็นต้องทำไหมคะและจุดประสงค์ทำเพื่ออะไรคะ การมางกายก็คือการพิจารณากายในสภาพต่างๆร่างกายนี้มีมีมิติหลายมิติมีทั้งข้างนอกมีทั้งข้างในมีขณะทีะ่หนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวในขณะที่แกในขณะที่เจ็บที่ตายการมางกายก็คือให้เห็นมิติต่างๆของร่างกายการมั่งกายนี้สามารถทำแทนการบริการพุโทโธได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็ แทนที่จะเราจะบริการมพุทโธพุทโธเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ใช้การมั่งกายแทนไปก็ได้หรือถ้าสมาธิของเรายังไม่แน่นหนาะมั่นคงและเรายังอยากจะฝึกสติไปก่อนแล้วก็ยังเราก็แขวนเรื่องของการมั่งกายไว้ก่อนมาเจริญสติให้มันเข้มแข็งให้มันมีกำลังมากมากก่อนแล้ว พอเราเอามีกำลังมากพอแล้วต่อไปแทนที่จะต้องใช้พุทโธเราก็ใช้การมั่งกายการพิจารณากายแทนพุทโธไปก็ได้ก็จะกลายเป็นปัญญาไปคำถามจากคุณสกยพัฒนเลาหาเรืองชัยยศค่ะจะทำอย่างไรให้คนที่ชอบทำทานหันมาให้ความสำคัญเรื่องของการภาวนาได้ครับก็พาเขาไปฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย พาไปทำบุญอยู่เรื่อยๆชวนไปรักษาศีลชวนไปภาวนาทุกอย่างก็ต้องมีการเริ่มต้นถ้าตนเองไม่เริ่มก็อาจจะอาศัยคนอื่นเขาดึงไปก็ได้การอ่านหนังสือก็เป็นการดึงไปอย่างนึงการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการดึงไปแต่ถ้าดึงแล้วไม่ไปก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับดึงสุนทะเข้าอาบน้ํามันไม่ยอมมาก็ช่วยไม่ได้ คำถามจากคุณแถวนี้เถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เวลานั่งสมาธิทำไมผมชอบคิดสิ่งที่เป็นอกุศลครับคิดแต่เรื่องในสิ่งที่ไม่ดีพอคิดแล้วมันทำให้ผมนั่งสมาธิไม่ได้และผมก็รู้สึกกลัวต่อสิ่งที่ผมคิดมากครับแต่กลับกันเวลาผมคิดสิ่งที่ไม่ดีแล้ว ผมไปดูหนังฟังเพลงมันกลับทำให้ผมรู้สึกดีกว่าการนั่งสมาธิใจก็รู้สึกดีแต่นั่นผมไม่คิดว่ามันคือทางหลุดพ้นครับผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับก็ต้องฝืนความคิดนั้นเวลานั่งสมาธิก็อย่าปล่อยให้มันคิดบางครั้งมันเหมือนบริกรรมพุทธโธไปแทนหรือคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดถึงอาการสามสิบสองคิดถึงายลากแทนก่อนคิดนี้เรา ต้องบังคับมันมันถึงจะคิดไปในทางที่เราให้มันคิดได้ถ้าเราไม่บังคับมันมันก็จะไปคิดไปในทางที่มันเคยคิดนะมันเคยคิดไม่ดีมันก็จะคิดไม่ดีไปแต่ถ้าเราดึงมันมาคิดในทางที่ดีดึงมาบ่อยๆคิดบ่อยๆต่อไปมันก็จะคิดไปในทางที่ดีได้เองต้องบังคับการควบคุมจิตใจนี้ต้องบังคับถ้าไม่บังคับเราจะไม่สามารถทาให้เกิดผลสาเร็จขึ้นมาได้ คำถามจากคุณหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคะ่ะที่พระอาจารย์ว่าแต่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานนี้มันยังเสื่อมได้อยู่เสื่อมมากเสื่อมน้อยอยู่ที่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีนี้มันมีความเสื่อมต่างกันพระโสดาบันนี้ยังเสื่อมมากกว่าพระสกิทาคามี พระสกิทาคามีก็จะมีความเสื่อมมากกว่าพระอนาคามีคือความทุกข์ที่ท่านได้นี้มันจะเสื่อมเพราะมันมีความอยากตัวอื่นเข้ามารบกวนบางตำราบางท่านกล่าวว่าเข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานแล้วไม่มีเสื่อมลงไม่เกินสามเจ็ดเก้าชาติก็ถึงพระนิพพานไม่แน่ใจขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ Alors, ผู้ใดถ้าได้เข้าสู่อริยะธรรมแล้วคือได้เป็นพระอาริยบุคคลแล้วนีนจิตจะไม่เสื่อมลงมาจากขั้นที่ได้เช่นถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่เสื่อมกลับลงมาเป็นผุาาุ้ชนผู้ที่ได้ขั้นที่สองเป็นพระสกิดาคารีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระโสดาบันพอได้ขั้นที่สามก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิรดาค า, inté, า <S <S 2> <S 2> มีจะเป็นพระอนาคามี แล้วพอได้ขั้นที่สี่เป็นพระอรหันต์ก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีอันนี้คือขั้นของพระอริยบุคคลสี่ขั้นเหมือนขั้นบันไดเวลาขึ้นถึงขั้นไหนแล้วมันจะไม่ลื่นไหลลงมาไม่เหมือนกับขั้นที่มันเป็นสโลบอย่างนี้มันอาจจะไหลลงมาได้แต่นี่มันเป็นขั้นบันไดแต่ที่ขั้นเป็นสโลบนี่เป็นขั้นโลกีะเช่นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี่เหมือนสโลบ พอขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นโภมแล้วมันก็จะเลื่อนลงมาลงมาสู่ชั้นเทพแล้วก็เลื่อนกลับลงมาสู่ชั้นมนุษย์แล้วถ้าถ้าประมาททาบาปมันก็จะเลื่อนลงไปสู่เปรตเดรชานรากต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของระดับโลกียะมันจะเป็นเหมือนสไลเดอร์เหมือนที่เด็กเล่นกันมันจะเลื่อนลงไปได้เรื่อย แล้วก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็นั่งเลื่อนลงมาเวลาทําบุญทําทานปฏิบัติธรรมก็เหมือนเดินปีนบันไดขึ้นไปอยู่บนบนยอดของสไลเดอร์พอนั่งมันปับ๊บมันก็ไหลลงมากลับอันนี้เป็นระดับโลกิยะระดับทําบุญทําทานรักษาศีตั้งสมาธิมันจะได้ทำที่ยังยังไม่ถาวรได้แล้วจะต้องเสื่อมแต่พอเข้าสู่ธรรมระดับโลกุตตะคือระดับปัญญาวิปัสสนานี้ มันจะไม่เสื่อมแล้วพอมันได้ขั้นโสดาบันมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นแล้วจะติดอยู่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากมันก็จะเลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นสกิดาคามีขั้นสกิดาคามีก็จะติดอยู่ไม่เกินหนึ่งชาติแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปสู่อนาคามีถ้าเป็นอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ตามลาดับต่อไป นี่คือขั้นของโลกุตระขั้นของอพระอริยบุคคลทั้งหลายได้แล้วไม่เสื่อมนะแล้วไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากมต่ีบอกสามชาติหกชาติก้าชาตินี้ก็พูดกันแบบไม่ได้ศึกษากันนะตามตำรานั้นบอกพระสวัดาบาล น, นี้เหลือพบชาติไม่เกินเจ็ดชาติพระสกีดาคามีเหลือเพียงชาติเดียวคือชาติของมนุษย์ที่จะต้องกลับมาบำเพ็ญต่อพอเป็นพระอนาะคังมีก็ไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไปเป็นพรหมแทนนะ เราก็จะบรรลุปเป็นพระอาารันในในขั้นของผมได้คำถามจากคุณทเนศภูมภูมิอรันค่ะผมตั้งสัจจะไว้ว่าจะปฏิบัติฉวดมนเป็นการภาวนาไว้ในใจจนถึงกำหนดสิ้นปีแต่พอทำไปได้สองสามเดือนมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนไปฟังธรรมะของหลวงพ่อโดยไม่กำหนดอะไรนอกจากฟังเสียง แล้วนั่งสมาธิไปด้วยรู้สึกจิตใจเบาสงบเดินปัญญาตามได้บ้างปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าดีกว่ากำหนดบทสวดมนต์แต่ผมมีความกังวลเรื่องเสียการตั้งสัจจะ บ, บริกรรมสวดมนต์ผมจึงอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำครับก็ทำทั้งสองอย่างก็ได้นี่ก็สวดมนต์ไปแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมไป ก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนคือถ้าเราตั้งสัจจะไว้แล้วเราไม่ควรที่จะเสียสัจจะเพราะมันจะทำให้เราต่อไปโลเลได้จะทำอะไรจะไม่สามารถทำให้ใหสำเร็จได้การมีสัจจะนี้เป็นเหมือนกับการบีบบังคับตัวเราให้ต้องทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนั่นเองถ้าเราไม่มีตัวบังคับต่อไปเราก็จะตั้งใจทำอะไรไม่ได้ทำแล้วก็จะต้องล้มเหลว ดังนั้นถ้าเราใต้ตั้งสัจจะแล้วเราจะต้องรักษามันไว้ให้ได้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะรักษาได้ก็อย่าไปตั้งมันปฏิบัติไปแบบไม่ตั้งก็ได้ขอปฏิบัติไปเรื่อยๆได้มากได้น้อยก็ขอปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างนี้ยังจะดีกว่าแต่สำหรับคนบางคนมันถ้าตั้งแบบนี้มันก็จะไม่ปฏิบัติเลยอันนี้ก็อยู่แต่ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องใช้ ใช้วิจารณ์จา์ดูเอาก็แล้วกันว่าอันไหนจะดีอันไหนจะเหมาะแต่ในกรณีนี้ก็สามารถทำได้ทั้งสองอย่างนี่เราก็สวดมนต์ไปตามที่เราตั้งสัจจะไว้แล้วเราก็ฟังเทศฟังธรรมต่อหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จเรก็ฟังธรรมต่อก็ได้คำถามจากคุณสมบูรณ์ก้อนหินค่ะนั่งสมาธิแล้วตัวโยกขนลุกอวัยวะส่วนต่างๆสัน่น ควรตามดูต่อไปเรื่อยๆหรือออกจากสมาธิดีคะควรไม่ควรไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้ควรภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปพุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏเพราะมันเป็นทางผ่านของใจที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าหยุดมันก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้การภาวนาก็จะถือว่าล้มเหลวไป คำถามจากคุณสุขุมพรมนาค่ะเวลาผมนั่งสมาธิบางครั้งรู้สึกบางครั้งเหมือนตัวจะพองออกตามลมหายใจแต่ยังรู้สึกถึงลมหายใจอยู่นั่งมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ใช่สมาธิใช่ไหมครับผมควรดูอาการแบบนี้ต่อไปไหมครับหรือหยุดนั่งไปก่อนครับก็เหมือนกับคำถามเมื่อกี้เนี่ยก็อย่าหยุดเพียงแต่ว่าอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆถ้าดูลมก็ดูลมต่อไป แล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปถ้าใจเข้าสู่ความสงบคำถามจากผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าของค่ะในบทสวดมนต์ที่ว่ามีขันสี่มีขันหนึ่งหมายถึงอะไรและที่ว่าสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารขอคำตอบสิ่งที่ไม่ใช่สังขารค่ะ คือเป็นเรื่องของคนที่เขาเค้นเขาแต่งเราก็ไม่รู้ใจของเขาว่าเข้าหมายความอะไรเหมือนกันก็เลยไม่อยากจะไปแปลความหมายถ้าเขาไม่แปลออกมาก็ช่วยไม่ได้ะไม่ต้องไปสนใจไม่รู้ก็ไม่เป็นไรของเหล่านี้อขอให้รู้ว่าเวลาเกิดตัญหาขึ้นมาแล้วหยุดมันได้อย่างไงก็พออขอให้รู้แค่นี้เนี่ยการปฏิบัติทั้งหมดนี้มามาอยู่ตรงจุดนี้จุดเดียวให้น คือหยุดตันหาความอยากต่า ง, างๆที่มีอยู่สามคือการมาตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี้เท่านั้นแหละขอหอยุดสามตัวนี้แล้วถ้าจะรู้ก็รู้อันนี้จังทุกขังอนัตตารู้ว่าสุภาษะรู้ว่าหาเลยปฏิกูลณสัญญารู้แค่นี้แล้วจะสามารถตัดตันหาต่างๆทั้งหลายให้หมดไปได้ส่วนความรู้อย่างอื่นนี้ก็เป็นความรู้เสริมรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ดีไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะ ขอให้รู้อริยาาสัจสีเท่านั้นพอรู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรรคและรู้จักวิธีปฏิบัติกิจในอริยาาสัจสีคือทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทําให้แจ้งมรรคต้องเจริญให้มากเท่านี้เองถ้าสามารถปฏิบัติภารกิจทั้ง4ี่ประการในอริยสัจสีได้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ หมดปัญหาแล้วมีใครอยากจะถามอีกไหมจะให้โอกาสถามได้เลยตอนนี้เพราะหลังจากที่เลิกประชุมปิดไม้แล้วก็ต้องขออนุญาตไม่ไม่ตอบปัญหาต่อไปคุณพระอาจารย์ครับอ่าอย่างบางช่วงวางวันเย็นๆเนี่ยครับผมจะมีอาการเกิดอาการกงุนหงิดแล้วก็จิตขุนขุนมัวแล้วผมก็น้องมาดูที่ใจของผมเอง เ, เรียนว่าแท้จริงแล้วตัวที่จิตทําให้เกิดจิตขุนขุนมัวแล้วเกิดความอยากตัวนี้ มันคือตัวอยากตัวนี้นี่เองพอรู้ว่าเป็นตัวอยากตัวนี้มันก็เออเดียวแล้วก็หยุดเลยครับผมรู้ก็แสดงว่ามีปัญญาหรือว่าความหงุดหีิดใจคือความไม่สงบของใจเกิดจากความอยากพอเราหยุดความอยากได้ความสงบกลับมาความหงุดหงิดใจก็หายไปนี่ให้แก้ปัญหาที่ใจปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ข้างนอก ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราที่ไปยุ่งกับเรื่องข้างนอกเองถ้าเราตัดเรื่องเรื่องความความสนใจกับเรื่องข้างนอกได้ใจก็จะสงบอย่าไปอยากให้เรื่องข้างนอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ข้างนอกจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาถ้าเราแก้ไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้ก็อย่าไปทำอะไรต้องยอมรับความจริงไปใจก็จะสงบใจก็จะไม่วุ่นวาย แต่ถ้าอยากจะแก้แล้วแก้ไม่ได้ก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่ปัญหาฉงใจเราอยู่ที่ความอยากเท่านั้นเองอฉะนั้นขอให้เราพยายามมองใจอยู่เรื่อยๆแต่ปัญหาตอนนี้คือเราไม่มองใจกันเราไม่มองทั้งนอกกันไปมองราบยศสัจรเสริญไปมองรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะกันเวลาใจเป็นอะไรก็ไม่มีใครมาดูแลรักษาฉั้นเราต้องฝึกสติการฝึกสตินี้ก็เพื่อดึง ดึงใจให้กลับมาดูใจนั่นเองพอใจมีสติใจก็จะเห็นเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากแล้วก็จะหยุดความอยากได้มีไหมใครอยากจะถามอะไรก็ป ะ, ะถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ